ดูก่อนภิกษุทั้งหลายขนทางนี้เป็นทางสายเดียวเพื่อความบริสุทธิ์ของเหล่าสัตว์เพื่อล่วงความโศกะและปริเทวะเพื่อความดับศูนย์แห่งทุกขโทมนัสเพื่อบรรลุธรรมที่ถูกต้องเพื่อทําให้แจ้งซึ่งพระนิพพานขนทางนี้คือสติปัฏฐา น, น, นสี่อานิสงส์อันเป็นผลข้างเคียงจากการเจริญสติปัฏฐาน รวบรวมคํายืนยันของผู้ปฏิบัติสติปัฏฐานสี่แล้วเกิดความรู้เห็นอันยิ่งหรืออภิญญาประการต่างๆดังนี้วิปากสูตรดูก่อนผู้มีอายุทั้งหลายเราย่อมรู้วิบากของการกระทำกรรมทั้งที่ทเป็นอดีตอนาคตและปัจจุบันโดยฐานะโดยเหตุตามความเป็นจริงเพราะได้เจริญได้กระทำให้มากซึ่งสติปัฏฐานสี่เหล่านี้ อิทธิสูตรดูก่อนผู้มีอายุทั้งหลายเราย่อมแสดงฤทธิ์ได้หลายอย่างคือคนเดียวเป็นหลายคนก็ได้ใช้อำนาจทางกายไปตลอดโพรหมโลกก็ได้เพราะได้เจริญได้กระทําให้มากซึ่งสติปัฐานสี่เหล่านี้ทิพพโสดสูตรดูก่อนผู้มีอายุทั้งหลายเราย่อมได้ยินเสียงสองชนิดคือเสียงทิพและมนุษย์ทั้งที่อยู่ไกลและใกล้ ด้วยทิพย์โสดอันบริสุทธิ์ล่วงโสดของมนุษย์เพราะได้จเจริญได้กระทําให้มากซึ่งสติปฐานสี่เหล่านี้เจโตปริดจะสูดดูก่อนผู้มีอายุทั้งหลายเราย่อมกำหนดรู้ใจของสัตว์อื่นของบุคคลอื่นด้วยใจคือจิตมีราคะก็รู้ว่าจิตมีราคะจิตหลุดพ้นก็รู้ว่าจิตหลุดพ้นเพราะได้จเจริญได้กระทาให้มาก